มันเกินใช่ไหมทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปสำหรับฉันมันถูกใช้เพียงแค่เธอตั้งแต่วันที่เราได้พบ ก, ก็ได้รู้ว่าความคิดถึงมันเป็นอย่างไรเขาได้คำว่ารักคณในวันนี้ฉันมีเธอและมันไม่ ใครจะมาแทนความหมายของคำว่ารักแต่มันต้องเป็นเธอเท่านั้นมันมากกว่าคำว่าที่รักที่ฉันยกให้เธอนาทีรักแค่เราได้เจอเพียงได้ ตนแค่น